ตั้งแต่เลือกตื่นนอนมาจนมาถึงปัจจุบันอาการต่างๆมันผ่านผ่านเราไปมากมายแต่เราไม่ค่อยตามดูตามรู้ตามเห็นมันชัดๆทําให้โอกาสที่เราจะได้เห็นภาวะเหล่านั้นถึงแม้ว่าจะรู้ความรู้สึกเก่าๆเดิมๆซ้ำซากแต่ว่ามันก็น่าสนใจว่ามันมันเกิดขึ้นอย่างไรมันตั้งอยู่อย่างไรมันดับไปให้เห็นอาการเหล่านั้น ตัวนี้เรียกว่าอาการที่เรารู้เราเห็นอาการของรูปของนา้าว่ามันทำงานอย่างไรรูปทำน้าทำรูปทำงานอย่างไรตา่างประนามเข้าไปทำงานอย่างไรสมมติว่าลูปเรายืนอยู่กับที่มันรู้สึกหนักขึ้นน้มก็บอกว่ามันมันหนักไม่ใช่มีอาการปรับอาการปรับลักษณะเห็นอาการปรับแล้วเกิดอาการปรับ มันเกิดเกิดกรรมเลี้ยกรรมกายกรรมเป็นการเคลื่อนการที่กายมันเคลื่อนเพื่อจะปรับเอาอาการที่มันหนักออกลูกแต่แล้วความรู้สึกเวลาปรับออกไปแล้วคนรู้สึกมันหนักหายไปเบาเกิดขึ้นแล้วรู้สึกภาวะที่เบาแล้วนามก็เข้าไปรับรู้ว่าเป็นนามธรรมลูกธรรมนามธรรม เห็นรูปทาเห็นนามทาอย่างนี้ mm. การมาอบรมมาเข้าคอสกับเพื่อมาฝึกดูสิ่งเหล่านี้ให้ชัดไว้ให้เกิดจําอาการเหล่านี้ไวเปียว่าทีละสัญญาตัวทีละสัญญานี่เป็นเหตุ ใ, ใกล้ให้เกิดตัวความรู้สึกตัวนะเสร็จแล้วลอง <c oughs> ขยับไปข้างหน้าสักสองสามก้าวความรู้สึกที่เรายืนตึงอยู่กับที่ต่าง เปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนเห็นการเปลี่ยนแปลงดับถอยหลังสองสามก้าตัวการสร้างจังหวะก็ดีการเดินก็ดี เ, <c oughs> เป็นการให้เห็นภาวะนั้นชัดๆนีภาวะที่ปรากฏชัดพอเราไม่ไม่ตัวนี้เขาเขาเป็นตัวส่งตัวกําหนดการเคลื่อนไหวเนี่ยงให้เห็นความหนักความเบาพ ร, พร้อมๆกันมีหนักมีเบา หายลมหายใจมันเข้ามันออกก็เห็นการมัน <c oughs> หนาวมันร้อน <c oughs> ก็เห็นคือเห็นในความต่างในภาพในส่วนที่มันบวกมันลบไปเรื่อยๆการเห็นบวกเห็นลบเห็นอาการหนักอาการเบาที่เป็นผลของการเกิดการดับมันเองเราต้องเห็นผลหยาบๆนี่ของมันก่อนก่อนที่จะตามเข้าไปดูในส่วนที่มันละเอียด เกิดดับทั้งสองลักษณะลักษณะที่เป็นบวกลักษณะที่เป็นลบเห็นการดับไปของความตึงความหนักเห็นการเกิดขึ้นความเบาสบายเอาไปสักพักหนึ่งเราเห็นความดับไปของความเบาสบายความตึงและความหนักเกิดขึ้นสลับสับเปลี่ยนตลอดแต่ว่าการเฝ้าสังเกตของเราเนี่ยมันไม่ชัดเพราะอะรเพราะว่าเราไปเพลินต่อสิ่งข้างนอกมา นานเกินจนกระทั่งจิตเราไม่มาได้สนใจสิ่งนี้นี่คือลูกทำนำทำนะแต่หากพอเราปรับรูกทำนำทำไม่ดีก็เกิดอะไรเกิดรูปโรกนำโลกคือความไม่สบายพอกายไม่สบายใจก็ไม่สบายมันเป็นโรคและวโรกอย่างนี้โรคประจำสังขารูปโรกนาโรคเหลือเลือกแจะรูปทุกนำทุกต่อไปพอเราเห็นอย่างนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้า ใจลักเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของการต่างๆขึ้นจิตขึ้นใจจําไว้ขึ้นใ จ, จ, นใจมันก็จะเกิดการสังเกตเกิดการเฝ้าดูได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าอาการนี้มีอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เพิ่งมีตอนที่เราสังเกตมันมีอยู่แล้วตลอดเวลาแต่ถ้าเราสังเกตตอนไหนใส่ใจตอนไหนเฝ้าดูตอนไหนตัวกรรมาฐานและตัวภาวนา ก็เกิดขึ้นแต่ในใส่ใจในฐานะอะไรเฝ้าดูในฐานะต้งตรงนั้นนะมันจะเป็นกรรมาฐานหรือไม่เนะี่ยต้องดูตรงนั้นถ้าใส่ใจเฝ้าดูในฐานะว่ามันเป็นเราอันนี้ก็ไม่ใช่กรรมาฐานละแต่เฝ้าดูใส่ใจในฐานะมันเป็นอาการชนิดหนึ่งของตรงนี้เราจําเป็นต้องซักซ้อมให้เฝ้าดูบ่อยๆนะว่าเรามักจะ หลงลืมเราอยู่กับอวิชามานานแล้วก็หลงลืมไปเอาก็ดึงกลับมาดูอ่นี <c oughs> บ้บ่อยๆการที่เราสั่งสมตัวความไวของความรู้สึกตัวนี้เขาเป็นประโยชน์ตรงนี้เองประโยชน์ที่ทำให้เรากลับมาดูอาการเหล่านี้บ่อยๆตามปกติแล้วจิตมันไม่อยากมาดูเพราะว่าเราอยู่กับความเบืชินในการที่จะไปรู้เรื่องข้างนอกตัวเราแต่รู้สิ่นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ในในตัวเรา ในการที่บำบัดทุกในตัวเราเนี่ยเราไม่ค่อยคุ้นเคยเนื่องจากเราไม่ได้ฝึกไม่ได้เห็นความสำคัญสิ่งนี้มาดูนิยกก้าวขวาไปข้างหน้านก้าวปรับท่าังให้สบายนะพลาวนังสั่งอยาว่าหายใจลึกๆเข้าออกแล้วก็ <c oughs> วันนี้เราจะ คุยกันเรื่องของเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเมื่อวานนี้ถือว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานจบไปล้เราก็จะได้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องกายมากขึ้นนะว่ากายของเราเป็นอย่างไรอนะุถึงเรื่องของอาการตามรู้ในกาย หกเจดเรื่องเรื่องลมหายใจเรื่องรีบทตรสี่เรื่องอรีบทย่อยเรื่องธาตุสี่ 4, เรื่องอาการสามสิบสองเรื่องอสุภะแต่เมื่อวาน น, นี้ไม่ได้เน้นเรื่องอสุภะอสุภะคือเราจะดูมันตอนไหนอสุภะในส่วนที่เป็นรูปอสุภะแปลว่าอะไรแปลว่าไม่งามไม่เรียบร้อยไม่ปกติ ไม่น่าดูแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไปเน้นเรื่องขอ ง, ของเน่าของเหม็นซากศพอะไรทานองนั้นซึ่งมันไม่ได้หมายแคบอย่างนั้นคาว่าสุภาพพูดถึงความหมายของมันอาการของมันความลักษณะการไม่เรียบร้อยการไม่สวยงามการไม่น่าดู อะไรพวกนี้เป็นอสุภะทั้งนั้นเป็นการเดินไม่เรียบร้อยเนี่ยเป็นอสุภะไหมการนั่งไม่เรียบร้อยเป็นอสุภะไหมการพูดไม่น่าฟังเป็นอสุภะไหม อ, อันนี้ภายนอกเนี่ยการนั่งไปแล้วอาการที่ไม่พึงปรารถนาคือขึ้นกับกายเราร้อนจัดหนาวจัดปวดจัดเมื่อยจัดไม่สบายอึดอัดขาดเครื่องเป็นอสุภะไหม น, นี่เป็นอาการของอสุภะถ้าวิปัสนานที่ดูที่อาการแต่ไม่ได้ดูตัวของรูปของอสุภะแต่ดูอาการของอสุภะเป็นวิปัสนาแต่ถ้าไปดูรูปของอสุภะเป็นสมถะทีนี้ถ้าพูดถึงอาการของอสุภะเนี่ยมันเห็นตลอดใช่ไหมเกิดตลอดใช่ไหมเกิดตลอด ความไม่สนุกความไม่สบายความไม่น่าดูความไม่น่าเอามันเป็นอาสุภาษสุภาษะไม่สวยไม่งามไม่เรียบร้อยไม่ปกติไม่น่าพอใจไม่พึงปรารถนาอะไรพวกนี้อาการที่มันปรากฏในกายในใจของเราเราก็ดูมันการเข้าไปดูลักษณะนี้ เ, เรียกว่าเป็นดูอาสุภะด้วยอาการ นั่นก็จะเห็นตลอดแล้วทีนี้นั่นะเาเรียกว่าดูเป็นกายานุปัสนาเมื่อวานไม่ได้ลงรายละเอียดลึกงหมวดสุดท้ายคือหมดที่เจ็ดนะหกหมดที่หนะคือเรื่องลมหายใจเรื่องเปลี่ยนยบทสี่เรื่องเปลี่ยนดูระบทย่อยเรื่องดูธาตุสี่เรื่องดูา 4, อาการสามีสองเราดูอสุภนะนันี่เป็นเรื่องของกายหลักนะเราท่องทิ้งไม่ทิ้งหลักนะ แต่หากว่าเราทิ้งหลักมันก็สเปเระปะ่มันก็ไปไม่ถูกทางเสร็จแล้วเวลาเรานำไปปฏิบัติมันออกลู่ออกทางไปเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่มีหลักสมัยเวลาน้าท่วม <c oughs> เราไม่เห็นถนนไม่เห็นเส้นทางชัดเจน้เดินไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันลึกมันตื้นตรงไหนมันมี ไม่มีคอนมีหินมีโขดเนยเราไม่เห็นใช่ไหมเพราะน้ำนนทั่วหมดที่นี้ทำไงเราจะเดินไปเส้นทางตรงนั้นอย่างปลอดภัยเพราะทางที่เราไม่เห็นเส้นทางเขาก็ปักหลักเอาไว้เออือถ้าไปตามหลักที่ปักนี่นะมันจะไม่มีโขดไม่มีหินไม่มีอยู่ไม่เลี้ยงนะเขาปักหลักเอาไว้เขาเหมือนกันในส่วนกรรมฐานเนี่ยมันเหมือน เมื่อมีอารมณ์มีความทุกข์มันท่วมทับอยู่เรื่อยแล้วไม่เห็นว่าตรงไหนจะเอาตรงไหนจะไปตรงไหนแต่พอมีหลักอย่างเงี้ยเออเนี่ยหลักตรงนี้ตรงไปตามหลักอนี้นะที่ปักเอาไว้นี่นะเราก็จะเห็นแล้วก็ไปตามแนวนี้มันก็จะไม่หลงไม่หลงไปลงหลุมลงหลอ ง, ล ง, ลงไปคล้องหินข้องไม้หรือไปลุ่มลึกจมลงไปอย่นี้เรก็ไม่ไปตรงนั้นเพราะเขาจะปักหลักเอาไว้ตัวหลักปริยัติก็คือตัวหมุดหมาย ที่ปักเอาไว้เป็นแนวให้เราเดินนะนะเพื่อเราจะไม่ไปตกหลุมตกล่องหรือเมื่อไปหลงในอารมณ์ต่างๆนะถ้าในส่วนกายเนี่ยถ้าเราดูพวกเนี้ยดูห้าหกเรื่องที่ว่ามาเนี่ยมันก็จะไม่หลงเอากายเป็นเาราละเพราะกายเป็นเพียงอะไรกายเป็นเพียงการทํางานของธาตุลม กลายเป็นเพียงทำงานของเอียบุตสี่กลายเป็นเพียงการทำงานของอียบุต ย, ย่อยกลายเป็นการทำงานของธาสี่กลายเป็นการทำงานของอาการสามสองกลายเป็นการทำงานของอสุาพมันไม่ใช่เราพอเราทำความเข้าใจกับเรื่องนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้ามันค่อยถอนถอนความเป็นตัวตนออกมาความสำคัญมันหมายเดืตัวตนออกมาแต่ถ้าหากว่าการ ไม่พิจารณาทบทวนคอยระลึกอย่างที่ว่าเสมอเนี่ยมันคอยจะคิดว่าเป็นเรามันจะเป็นตอนไหนตอนที่ถูกกระทบนะเวลาเราไปทานอาหารอร่อยพูดเราอร่อยพอเพราะเพราะความอร่อยเป็นเราก็เอาเป็นความอร่อยเราเป็นไงอู้ต้องทานให้เยอะทานให้ได้เยอะๆทานมากๆเพราะทานมากๆเราเป็นไงบ่อยๆ ก็เกิดปัญหาลนะ่ะเกิดปัญห า, ากินมากพ่วงจัดฮีเกียดอาการของโรคภัยมาปฏิบัติห่วงเงืองเงาอยู่อาการของมันเนี่ยเพราะว่าเราไปดูว่ารถเป็นเราเราเป็นรถอาหารหรือบางครั้งเราไปเจออาหารที่ไม่อร่อยเราก็รู้สึกไม่ชอบไม่อร่อยก็เราก็ไม่เป็นความไม่อร่อยไม่ เราไม่ได้ดูแยกดูว่าสิ่งที่มากระทบนี่คืออะไรเพราะฉะนั้นภาวะถึงความอัตราเป็นเดาเป็นเขาที่มันเกิดนี่เป็นความเคยชินเนะี่ยระหว่างตอนที่มันมากระทบกระทบตรงนั้นตนะั้งสติให้ดีแต่เราจะไม่มีความยินดีพอใจในสิ่งเหล่านี้ช่วหรือเราผิดไหมในการที่ไม่ยินดีในรูปเสียงกิริย์ อันนี้ไม่ใช่ไม่ผิดเนี่ยแต่ให้รู้ให้รู้อาการว่าอันนี้คือการทํางานของธรรมชาติถ้ากินแล้วไม่อร่อยเนี่ยมันก็กินไม่ได้หรือกินไม่ได้เยอะเพราะกินไม่ได้จะกินไม่ได้เยอะธรรมชาติร่างกายสังขารก็ไม่สามารถเติบโตไปได้เพราะธาตุอาหารไม่เพียงพอเราก็ถึงมารู้เอาที่มันมีรสมีชาตินี่เพราะเป็นการหลอกล่อของ สังขานเพื่อมันต้องการอยู่ได้มันก็สร้างสารรค์ชัตติยา น, นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงตัวมันเองเพื่อการดํารงอยู่ของธรรมชาติฝ่ายรูปนะมันก็จะมีตัวรสชาติขึ้นมามีสีสันรสชาติขึ้นมาเพื่อจะหลอกล่อให้ธรรมชาติในส่วนนี้อยู่ได้ทําให้ล่อให้เราได้เอาธาตุสิ่งนี้ลงไปได้โดยที่มีรสชาติ ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติอย่างนี้เราก็สามารถจะมีความสุขในการดูรสชาติการทางานของธาตุทั้งสองได้เขาทำงานของเขาเราก็ดูเข้าไปนั่นเองโดยที่ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องชอบในสิ่งนั้นนะไม่ใช่ว่าไปชอบการทำงานของธาตุตามธรรมชาติเราไม่ใช่ไปชอบหรือไม่ชอบแต่เราเข้าไปดูการทำงานของเขานะหรือเวลาเรา รู้สึกเย็นจัดหนาวจัดหรือร้อนจัดเนี่ยเราก็จะนึกถึงถ้าหนาวเราก็จะนึกถึงผ้าหม่มนึกถึงเสื้อนึกถึงฮีตออยุนก้านึกถึงแล้วเราไปหาสิ่งเหล่านั้นมาบำบัดถามว่าผิดไหมไม่ผิดนั่นคือธรรมชาติของร่างกายสังขารต้องการอยู่รอดจากการเบียดเบียนของอาการเวทนาที่มันจัด เราก็รู้ว่าเป็นความต้องการของธรรมชาติแล้วก็ตอบสนองแต่เราเวลาเกิดความอุ่นเกิดความสบายขึ้นมาเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปยึดว่าความสบายนี้เป็นเราแต่อันนี้คือความอยู่รอดของธรรมชาติเราก็เข้าไปเข้าทําความเข้าใจถ้าหากว่าเรามีความสุขอยู่กับความอบอุ่นนั้นเราก็ไม่ได้ยึดว่าความอบอุ่นนี้จะต้องอยู่กับเราสูงขึ้ไปเราอย่าไปกลัวความหนาว เราไม่กล้าทําอะไรเลยเพ่อกลัวหนาวอย่างเนี้ยพรอเราไปยึดว่าความอุ่นสบายนี้เป็นของเราพอกงานบางอย่างมันต้องจะเป็นสลัดความอบอุ่นนั่นไปต้องรีบไปทํางานก็ต้องทนหนาวนี่อย่างเป็นต้นหรือบางทีร้อนอากาศร้อนจัดสันชาตจยานเราก็จะบอกไปหาสิ่งที่มันมาบาลานมันก็คือจะต้องไปหาพัดลมไปหาแอร์ไปหาการอาบน้ํา าาาถามว่าการที่เราไปแสวงหาวัตถุเหล่านั้นมาเพื่อบาบัดอาการร้อนเนี่ยผิดไหมไม่ผิดนะแต่ให้รู้ว่านี่คือการขวนขวายการดิ้นรนของธรรมชาติสองฝ่ายเพื่อที่ปรับสมดุลคือหลักของการสมดุลความสมดุลที่อยู่ได้คือถ้าเราร้อนเราต้องการความเย็นถ้าเราเย็นเราต้องการความ อุ่นอเนี้ยแต่พอดีแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นความร้อนเป็นเราเห็นเราเป็นร้อนเราก็จะกลัวกลัวแล้วอะไรที่จะต้องไปกระทบร้อนเราไม่กล้าไปการทำงานบางอย่างมต้องผ่านร้อนกลางแดดเราก็าไม่กล้าไปทำงานแล้วทีนี้เพราะว่าเห็นร้อนเป็นเราเห็นเราเป็นร้อนแต่ถ้าหากว่าเห็นร้อนเป็นเพียงความรู้สึกถ้าหากว่ารูปนี้ ไม่ได้ถูกภาวะร้อนเบียดเบีย น, ยนจนเกินไปแล้วก็สามารถที่จะผ่านร้อนทนร้อนได้เหมือนกันก็ไม่จําเป็นต้องไปยึดว่าจะต้องให้เย็นร้อนก็ทนนะอันนี้คือคือมันต่างกันตรง น, นั้นมันก็จะไม่เกิดอาการกลัวไม่เกิดอาการกลัวร้อนไม่เกิดอาการกลัวหนาวแต่ในขณะเดียวกันเราก็บําบัดร้อนบําบัดหนาว เพอะนี่ร่างกายนี้เพียงทนยาปายัญะพอทนอยู่ได้พอให้ร่างกายนี้เป็นไปได้เพราะนั้นตัวตัวนีตว้ตัวที่เร า, าปรับเวทนาให้พอดีนี่เองเป็นความอยู่รอดของรูปและนามเป็นสรรชาตญยานอันหนึ่งที่คนก็มีสัตว์ก็มีชีวิตต้องการอยู่รอดแต่ว่าคนที่ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ ส, ดสัมผัสทั้งหลายไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้สดับ ก็จะไปยึดสุขยึดทุกข์ยึดหนาหรือร้อนเป็นเราโดยสัญชตาตญาณพราะเวทนาเวท น, นูปาทานนักขันโทขันนันเป็นที่ตั้งแห่งความแห่งเวทนาตูปูปาทานนักนโทขันนันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปอุปท า, านเกิดถ้าหากว่าเราไปยึดเอา ความสบายเป็นเราความไม่สบายเป็นเราเวทนูปาทานะขันโขขันนั้นไป็นที่ตั้งเ็นความยุดมั่นคือเวทนาเราก็ไปยึดเวทนาเป็นเราเป็นขัปรธานขึ้นมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นในจุดนี้ที่เรามาศึกษามาสดับนี้เพื่อที่จะเห็นตรงนี้ชัดนั้นเวทนาก็จึงเกิดขึ้นเวทนามีสามลักษณะความรู้ึกสบายเรียกว่าสุเวทนาความรู้สึก นี่ว่าทางกายนะความรู้สึกสบายทางกายเรียก ว, ว่าสุขเวทนาความรู้สึกไม่สบายทางกายเรียก ว, ว่าทุกขเวทนาความรู้สึกธรรมดาอย่างร้อนก็นจะว่าร้อนก็พอไม่จัดหนาวก็ไม่จัดพอทนอยู่ได้ไม่จัดทั้งสองอย่างเรียก ว, ว่าอาทุกขมาสุขเวทนาตัวนี้ตัวสําคัญ เวท น, า, า, นาุปาทานะันนั้นเป็นที่ตั้งแหความยึดมั่นคือเวทนาถ้าเราไปยึดมั่นความรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนรู้สึกธรรมดาเนี่ยเป็นเรามันก็จะเกิดอุปาทานเวท น, า, า, นาุปาทานะคันถูเกิดอุปาทานขึ้นมาพออุปาทานขึ้นมาปับ๊บเราก็จ ะ, อ, ะอยากจะรักษาอยกจะยึดถ้าว่าเป็นความสบายแล้วก็อยากจะรักษาความสบาย ว่ให้นานที่สุดแต่ถ้ารู้สึกไม่สบายเราก็พยายามหลีกหนีความไม่สบายให้ไกลที่สุดแต่แล้วก็เกิดความ อ, าอยากความยึดเข้าไปพอยึดเข้าไปแล้วทีนี้ถามว่าความสบายหรือไม่สบายที่เรายึดไว้นะ่ะมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงเรายึดได้ไหมไม่ยึดไม่ได้แล้วทํำยังไง เราก็อย่าไปยึดว่าเออกรูปมันไม่เที่ยงบางครั้งก็คือมันอุ่นเดี๋ยวมันก็ร้อนหรือบางครั้งมันอุ่นเดี๋ยวมันกลับเป็นหนาวเพราะมันมีเงื่อนไขนะการที่เราเข้าไปอินไซต์เข้าไปดูสิ่งเหล่านี้ศึกษาสิ่ง่นี้โดยพิจารณาโดยที่ไม่ให้จิตของเราเนี่ไปสร้างเรื่องหลงลืมต่ออาการเหล่านี้เนี่ยนี่เขาเรียกว่าเป็นการภาวนา ทำความรู้สึกเหล่านี้ทําความระลึกรูก่นี้ให้เจริญขึ้นเรียกว่าภาวนาแต่ถ้าหากว่าไปเอารูปรักของรูปอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ถ้าไปยึดถือเอารูปเป็นที่ตั้งของการพิจารณาก็เป็นสมถะแต่ถ้าเพีย์เอาเพียงอาการของมันมาพิจารณามากําโดดรู้ก็เป็นวิปัสสนาเป็นอาการ ทีนี้เรามาทำวิปัสสนาก็คือเอาแต่อาการมาเท่านั้นอาการนี่เป็นอาการอะไรเป็นอาการของรูปหรือเป็นอาการของนามเป็นอาการของกายหรืออาการของใจอาการนี้ก็มีหลายอาการอาการเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงเยังแต่อาการอาการโดยรวมเสร็จแล้วอาการเหล่านี้ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อาการเข้าไปบบวชเห็นการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางครั้งพอดีบางครั้งเกิน มาครั้งพอดีมาครั้งเกินปรับไปปรับมาอยูน่นี้เห็นมันชัดๆอย่างนี้นี่เรียกว่าเป็นตัวการภาวนาเป็นกรรมฐานถามว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่บางครั้งหรือมีอยู่ตลอดมีอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะที่ไหนมีรูปที่นั่นก็มีกฎของไตรลักษณ์ทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเรามีรูปโดยโดย สังขารโดยธรรมชาติอย่างนี้การทำงานของไตลัก์ก็ทำงานแต่ละเวลาสลับจับเปลี่ยนอยู่งง้นที่เราอยากจะไม่ให้ไตลักษ์เนี่ยมาครอบงำให้เราเปลี่ยนแปลงไปตามอาการของมันอาการของไตลัก์ก็ทำอาการของมันก็คือจะต้องเป็นนิจังทุกขังตา ย, อยุอย่างนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าเราจะปล่อยให้กายให้ใจนี้เป็นไปตามอาการของอ น, นิจังทุกขังนตตามันก็ เหมือนกับน้ำที่มันไหลตกมาแล้วก็ไหลไปสู่ทะเลนแหละไม่มีค่าอะไรนะแต่เมื่อเราจะต้องการคุณค่าของน้ำที่มันตกลงมาเมื่อให้มันไหลไปหมดเราก็ต้องทำเขื่อนกั้นหรืออ่างเก็บน้ำขึ้นมาฉันใดก็ดีเมื่ออันนี้จังทุกขอราตรามันเป็นกระแสของลูกของน้ำนี้เนี่ย ไปตลอดเราก็ไม่ได้ประโยชน์จากกายไม่ได้ประโยชน์ใจแล้วก็กั้นกระแสเอาไว้ตัวกั้นกระแสนีงที่ใช้คําว่าสติเตสังนิวรณ์สติเป็นเครื่องกัน้นไม่ให้กระแสแห่งการเป็นไปตามธรรมชาตินี่ยทํางานล็อกมันไว้เพื่อให้เอาตัวกระแสของธรรมชาติที่มันไหลลงให้มันคงที่ เหมือนน้ำเหนือเขื่อนเพื่อน้ำเหนือเขื่อนมันคงที่มันก็กระแสนั้นมันก็ไม่ไหลไปตามตามธรรมชาติแต่มันไหลาตามที่เราต้องการจะให้มันไหลประม ง, งเป็นกระแสไหมความง่วงเกิดจากอะไรเป็นปล่อยให้เป็นความเปลี่ยนแปลงแล้วเราไปตามดูการเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงความง่วงก็กลายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ประมงไปสุขหรือเป็นทุกข์แต่ทําไมเราถึง ง, ง่วง เฮอมันแปลกนะแต่เราทําในสิ่งที่เราไม่ต้องการนะแต่บางทีความม่วงมันอาจจะสุข ก, ก็ได้นี่ไหมมันมีโดยชาติแต่เมื่อเราไปทไําในสิ่งที่ต้องการมันก็ไปสังสมอ่าสังสมในสิ่งนั้นนิวรรธุตัวเป็นอกุศลเป็นทุกข์แต่ทํำไมเราปล่อยให้มันเกิดก็เพราะการจัดการของเรายัางยั ง, ยงไม่ชํานาญสติของเรายัางไม่ว่องไวปัญญาของเรายัางไม่แหลมคมที่จะแยกระหว่างตัว นิวรณออกจากสภาวะปัจจุบั น, นเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราจะทำไงก็มีหน้าที่ฝญญึกฝนใช้สติสัมผัสยะปัญญาฝึกฝนใช้เมื่อเรารู้อาการของนิวรณ์หรือเป็นอกุศลเบื้องต้นหยาบๆยานีเราก็อาศัยตัววัฒนาเวทนาเป็นตัวตรวจสอบว่าขณะนี้เวทนาที่ ปรากฏเนี่เป็นเวทนาสุขหรือเวทนาทุกถ้าเป็นเวทนาที่มันสุขเกินไปเรา่อยรู้ว่าเวทนาที่สุขเวทนาคือความสบายกายนี่นะมันจะไปเปลี่ยนเป็นสุขเวทนาทางจิตพอเป็นสุขเวทนาทางจิตเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโสมนัสเวทนาแต่ถ้ามันเป็นอยู่กับรูปเร า, เ ร, ารเรียกว่าอะไรขึ้นเยอะเกินคเรียกว่า เวทนาที่ขึ้นอยู่กับอาศัยรูปเกิดเราเรียกว่าสุกเวทนาใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ได้ตามรู้สุกเวทนาทีน่นี้มันก็จะไปกลายเป็นความรู้สึกทางจิตเรียกว่าโสมนัสเวทนาคือความชอบใจความชอบใจความง่วงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราชอบใจหรือไม่ชอบใจแต่ทําไมเราปล่อยมันเกิดก็เพราะเราไม่ทันต่อสุขเวทนาทางกายใช่ไหม เราก็ไปเสพเสพช่วยทางกายปับ๊บมันก็ไปเสพทางจิตแล้วก็จอปล่อยละเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเห็นอาการช่วยทางอาการก็ไม่เที่ยงดูอาการมันไปการเปลี่ยนแปลงจากสูงเาีกายมาเป็นความง่วงเหงาปับ๊บเราก็เปลี่ยนปรับออกไปสติที่ตามเข้าไปเปลี่ยนนั่นก็ก็เข้าไปจัดการจัดการง่ายๆถ้าหากว่าเรารู้เท่าทันนะหายใจลึกๆ ล, ล, ลืมตากว้างๆเปลี่ยนนิยมบทอมันก็ตื่นขึ้นมาละ มือนกับไฟอะเราจุดหุงข้าวไปนานๆเป็นยัไงมันก็เริ่มฟอใช่ไหฝฟอจะดับอาการง่วงก็มันฟอมันจะดับละสติสัญญามันใกล้จะดับทีนี้อาการที่เราจะต้องทําให้ไฟโคลงขึ้นทำางไงพวกเราไม่เคยติดไฟหุงข้าวแบบแบบบนนอ ก, กอ่ะเนาะเคยมหมยงุงเคยติดไฟหุงข้าวแบบบ้นนอกไหมคือใช้ฟืนนะนะ ติดไว้สักพักเราเป็นไงมันก็วอดใช่ไหมแล้จัด ก, การยังไงให้มันโปรงขึ้นใหม่ oh, oh, oh. เกียขี้เท่าฐานเก่ามันออก <c oughs> อฟืนที่มันเติมเข้าไปเติมเข้าไปมันยังควรอยู่เท่าไง <c oughs> ต้องเป่าใช่ไหม <c oughs> เป่างทีเป่าถ้าฟืนมันชื้นฟืนมันชุ่มเป่ากันตาดำตาแดงมันยังไม่ลุกเลยนะควรตลกอีกต่างหากเห็นไหมเหมือนกันนะบางทีอาการง่วงเข้ามาจัดจัดเราเขายอมเปลี่ยนทุนเราเปลี่ยนมันก็ยังไม่ออกก็ต้องเป่าแรงแรงง่วงเยืนตาบีตาบี้วปยังเป่าไม่ออกนะอาการเดียวกันนะมันไม่ใช่เรื่องมันใช่เรื่องแปลกเลยนะแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ศึกษาและสังเกตสิ่งเหล่านี้ทั้งที่เป็นรูปธรรมนามธรรม เช่นเปอาก็คือหายใจให้ให ล, ลึกๆให้ระง่วงก็เหมือนเป่าไฟเป่าเพื่อให้มันพองขึ้นมาใหม่หา <c oughs> อาการเหล่านี้เรียกว่าเวทนาสุขเวทนาทางกายเมื่อพัฒนาต่อไปมันเป็นกลายเป็นสุขเวทนาทางจิตโสมนัสเวทนาดูดู ด, ด, ดูดูสายมันนะดูสายพัฒนาความสบายทางกายไม่ถูกตามรู้กลายเป็นความพอใจ ความพอใจไม่ได้ถูกตังรู้กลายเป็นความอะไรพอใจอยากให้มันมีมากขึ้นใช่ไหมกลายเป็นความชอบเป็นราคาอ่าเวลาเราไปซื้อของอะไรเนี่ยราคาเราถามราคาเท่าไหร่นี่เขาจะว่างไงคุณมีราคาคุณจะขายราคาเท่าไหร่เนี่เป็นเรื่องเลยนะเออถามว่าราคาเท่าไหร่เนอ่พอพูดกันได้ควาจยิงก็สับเดียวกันนั่นแหละ ถ้าใครมาถามเราเนี่ยของคุณราคาเท่าไหร่เนี่ยเราได้จบหน้ากันแน่เลยเ อ, อ, อันนี้ราคาเท่าไหรออ่คือการมาเป็นความชอบใจอยากจะได้เป็นราคาแล้วก็ขนขวายที่จะหาเงินเพื่อจะให้หาวิธีจะได้มาจนได้เรียกว่าการมะอะไรใช่ไหมเป็นกามะจากราคาพัฒนาจากสุขเวทนานะพัฒนาเป็น สมนทศวนนาสมุนทศเวทพัฒนาเป็นราคาราคาราคาการมาเป็นการมะการมะพยายามแสวงหาให้มันได้มาครอบครองพอได้มาแล้วก็กลายเป็นอะไรเป็นตันหากรมตันหะภาวะตันห า, าวิภวตันหะนหและ้วทีนี้พอมันเป็นตันหาแล้วก็ยึดครองเอาไว้นานๆ ก็กลายเป็นอาสวะเห็นไหมเป็นกามาสวะดูสายของความสุขเวทนาอันเดียวนะแต่มันพัฒนาไปเป็นสายเลยพ อ, อไปเป็นอาสวะเรายากแก่การเอาออกเราทีเนี้ยพอเห็นอะไรปั๊บชอบขึ้นมาเลยทั้งๆที่ไม่ได้ตั้งสติเลยไม่ชอบเลยแต่เห็นอะไรปับ๊บทีนี้มาดูสายตรงข้ามบ้างถ้าไม่รู้สึกไม่สบายเรียกว่าอะไรผู้เขวทนาใช่ไหม ถามว่าความมุงเป็นสุขเวทนาหรือเป็นทุกขเวทนาตรงนี้พิจารณาให้ดีนะแล้วบอกเป็นทุกขเวทนาทำไมมันมุงอะ่ะมันก็เป็นสุขเวทนาระดับหนึ่งใช่ั้ยไม่แจ้งี่ยแต่ที่ไปที่มาของมันก็คือการที่เราเผลอไม่ได้เฝ้าดูอาการทั้งสองอย่างสุขเวทนาเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้ดูทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราไม่ไ้ใส่ใจการไม่ใส่ใจต่อเวทนาทั้งสองนี้เราเรียกว่า เรีวอะไรอะวิชานะเพราะฉะนั้นต้นตอที่ให้เกิดตัวง่วงก็คือตัวอวิชาเพราะไม่ใส่ใจทั้งสุขทั้งทุกข์เมื่อไม่ใส่ใจสุขหรือใส่ใจสุขใส่ใจทุกข์แต่ใส่ใจผิดใส่ใจว่าสุขเป็นรูปความรู้สึกสุขเป็นเราความรู้สึกทุกข์เป็นเราใส่ใจผิดนะแต่ถ้าเราใส่ใจถูกก็คือความรู้สึกสุข ไม่ใช่เราคืออะไรอาการอันหนึ่งของกายของใจความรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่เราจะเป็นอาการอันหนึ่งของใจทีนี้มาดูว่าเมื่อกี้เราดูสายของสุกขเวทนาที่สุดของมันเราคืออะไรกามาสวะใช่ไหมคืออสาาวะทีนี้พอมาดูทุกขเวทนาทางกายความไม่สบายเช่นนั่งแล้วมันปวดแข้งปวดขาปวดหน้าปวดหลังอึดอัดขัดหลังเมื่อยตรงนั้นตรงนี้เนี่ยคอยเปลี่ยนอยู่ไม่หยุดไ ม, ไม่ไม่สงบไม่ซา ถ้าหากว่าเราไม่ได้ตามรู้ไอความไม่สบายที่เราทุกเวทนาเปลี่ยนมาเป็นโทมานั ส, สเวทนาอ่าเปลี่ยนตัวมาเป็นโทมานัสเมื่อกี้สุขเวทนาเปลี่ยนมาเป็นโสมานั ส, สเวทนาคือเวทนาทางจิตก็คือความโทมนัสคือความพอใจอไม่พอใจความไม่พอใจความอึดอัดใจความไม่ชอบใจความไม่ปลอดโปร่งใจความ อ, าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาวะที่เป็นนิ่ทีไปแล้ว พอสมุนธ์วทนายังไม่ได้ตามรู้ไปอีกว่ามันเป็นความไม่พอใจไม่ได้ตามรู้ก็ไปกลายเป็นสมุนธ์ศัก์กลายเป็นปฏิฆะใช่ไหมกลายเป็นปฏิฆะเป็นเวทนาที่เป็นปฏิฆะเวทนาพอแก่ขึ้นมาเป็นปฏิฆะเราก็ไม่ได้ตามรู้อีกปฏิฆะกลายเป็นอะไรพัฒนามาเป็นฉุนตัวเองอ่ะทําไมโมตัวเองทําไมง่วงจังนะเป็นโกธาใช่ไหม เป็นโกธาโกธะก็ไม่ได้ตามดูอีกพัฒนาขึ้นไปไอความฉุนความไม่ลงงุนหงิดผ่านไม่พอใจค น, นผ่านว่าอาจารย์พูดอะไรมางุนหงิดขึ้นมาเป็นโทสัสนะ่ะพัฒนาเป็นโทสัตโทสัตตัวนี้ถูกไม่ได้ตามดูอีกนะพัฒนาเป็นตัวแข่งขืนแข็งข้อขัดแยง้งไม่เอาด้วยเป็นมานะ มณะก็ไม่ได้ตามดูอีกกายพัฒนาจากมานะเป็นอะไรมณะเขาแบ่งเป็นเก้าตระกูลเลยนะแต่ในรายละเอียดไปรู้ไปเรียนเอาเองก็เลยกนานมณะเก้ากายมาเป็นภพเรียกว่าภาวาสวะไปเป็นสวะยากเราทีนี้เห็นไหมดูสายมาี้การไม่การตามรู้ตามดูตามเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันพัฒนาตัวคนไป จนถึงที่สุดที่ยากแก่การแก้ไขเรื่องอาสวะเพราะฉะนั้นในเรื่องอาสวะกิเลสถือว่าเป็นกิเลสที่ที่ลึกที่สุดที่ออกยากที่สุดใช่ไหมแต่เพราะเราอะไรเพราะเราไม่ได้ตามรู้ในตัวที่มันเกิดแรกคือความสบายไม่สบายทีนี้ไอเวทนาตัวที่สามและความจริงเรื่องนี้มีอยู่ในโปรเจคเตอร์แต่ว่าไม่ต้องตัวที่สมมิคี้ว่าสุขเวทนาทุเวทนามีกี่ตัวที่ว่ามาเมื่อกี้ สามตัวเวทนาสุขเวทนาทุกแล้วอันสุดท้ายเรียกว่าอะไรยังไม่ชัดว่าเป็นสุขไม่ทุกเวลาเราเปลี่ยนใหม่ๆสักพักเนี่ยมันยังจะสุขก็ไม่ใช่ทุกก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราเรียกว่าอะทุกขมาสุกเวทนาตามบุตรีถ้าเราใช้หนังสือส่วนมูลสบับแพร่แสงเทียนเนะ่ะเวลามาจัดข้อออกมาจะพาสวดสติปัฏฐานเพราะมันจะเป็นหลักฐานให้เรารู้ว่าเออตรงเนี้ยที่เรา กำลังศึกษากันเนี่ยมันมาในพระไตรปิฎกนะเราไม่ได้หยิบ ม, มาพูดกันโมเมกันเองนะมันก็ได้ชี้ว่ามาจากไหนแต่ว่าหนังสือสมุด น, นี้ถ้าไม่ได้ลงเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาไปจัดข้อที่ไหนมาจะใช้หนงสือสมุดของพระอายแสงเทียนในนั้นเป็นพระไตรปิฎกเล่มเล็กๆกันแหละจะติประธานสูตรเนี่ยลงไว้หมดแล้วก็สวดได้เลยอ้าวตัวที่สามที่ว่าชื่อของมันเรียกว่าอทุกขมสุ ข, ขเวทนาใช่ไหมอ่าอทุกขมสุ ข, ขเวทนา ทีนต้ดอทุกขก็ม่สุขเป็นอาการเป็นยังไงสุขเราก็รู้อาการชัดใช่ไหมทุกข์เราก็รู้อาการชัดคือปวดคือเมื่อยคือเข้มแล้วอทุกขก็ม่สุขหมายความว่าอาการทั้งสองอย่างไม่ชัดจะว่าสุขก็ไม่ใช่จ่ว่าทุกข์ก็ไม่เชิงเราเรียกมันว่าอทุกขกม่สุขแต่อาการที่ว่าไม่สุขไม่ทุกข์พอสบายพออยู่ได้เราก็ไม่ได้ตามรู้ไม่ปตารู้อาการว่าอาการไม่สุขไม่ทุกข์อาการชัดๆเป็นอย่างไรเราไม่ได้ตามรู้อีกเราก็ไปเพลินในเรื่องอื่นซะ ไม่ได้ตามรู้ไม่ได้ตามเฝ้าดูมันก็พัฒนาตัวจากอุทุกขความสุขเวทนามาเป็นตัวอุเปกขาเวทนาแต่อุเปกขาตัวนี้มันไม่ได้เหมือนอุเปกขาใน อ, องค์ของกุศลนะอุเปกขาเวทนาเป็นขององค์ของอกุศลก็มีที่หลวงพ่อเจ้าคุณประยุทธ์ท่านให้คําจัวัดความไว้หน้าจักฟังแล้วอุเปกขาในส่วนที่เป็นองค์ของกุศลคือเฉยมอง แต่อุเบย์าในส่วนที่เป็นองค์ของอาคุณก็คือเฉยมเฉยมยอเฉยเมยกับเฉยมองถ้าให้คำชั้นสั้นแต่ว่าชัดหมายความว่าถ้าหากว่าเป็นฝ่ายกุศลอุเปเลย์ค้าในสัมโพุทธชงอะ่ะมันมีอุเปเลย์าองค์หนึ่งใช่ไหมเป็นการเฉยแต่มองดูอยู่เหมือนเราไปเลี้ยงลูกถ้ามันยังไม่ไปทําอะไรอันตารายไปตกไปตายไปเป็นอันตารายก็ดูเฉ่เฉยดูก็เล่นไป ดูเฉยๆแต่มองอยู่ว่าเขาจะวิ่งไปดอนไหนเนี่ยเฉยแต่ก็มองอยู่นี่เราก็ดูเหมือนกันอาการที่ยังไม่สุขไม่ทุกข์นะเราก็ดูไม่เฉยๆมองดูอยู่ว่ามันจะกลายเป็นสุขตอนไหนมันจะกลายเป็นทุกข์ดอนไหนถ้ากลายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ดอนไหนมันจะกลายมาเป็นอะไรเป็นนิวรณ์ต่างๆมันจะมาเป็นนิวรณ์ก่อนเพราะจริงนิวรณ์ทั้ง <j> uh. ทั้งห้าเนี่ยมันเป็นรากมันเป็นรูปของ อากุศลมูลทั้งสามมันเป็นรากเช่นที่วัห้ามีมีอะไรบ้างจําได้ไหมบ้างบ่อยๆจําได้ไหมคุณตำรวจที่วันทีห้ามมีอะไรบ้างอะไรนะจําไม่ได้นะเอาภาษาเอาภาษาที่เราสัมผัสได้ก่อนที่เราสัมผัสบ่อยๆคือง่วงใช่ไหม อันที่สองมูนิทปฏิฆะไม่ไม่สนุกอะไรเรียกพยาบาทอันที่สามขี้เกียจกรามฉันทะอันที่สี่ปุงสั้นอุทจจะอันที่ห้าลังเลใช่หรือไม่ใช่เนาะเป็นวิชิกิจชาเนี่ยห้าตัวนี้เขาเรียกว่านิวรนทีนี้มาดูว่าไอ้ตัวขี้เกียจหรือกรามฉันทะคือ คือมันมันมันอยากจะทําตามอะไรตามใจตัวเองอะ่ะไม่อยากจะทําอะไรที่มันฝืนใจตัวเองอันไหที่มันไปฝืนขี้เกียจไม่อยากทำแต่อันไหที่มันถูกใจตามใจตัวเองก็อยากทําแต่เรื่องนั้นโอ้ยนั่งมันไม่สบายไปนอนดีกว่าตามใจไปนอนตามใจนี่เขาเรียกกามาฉันทะคือได้ทําอะไรตามใจตัวเองเรียกกามาฉันทะเพราะกามาฉันทะยังไม่ใช่ความรู้สึกทางเพศอะไรนะแต่เราได้ทําอะไรตามอนะารมณ์อ่ะเรียกว่ากามาฉันทะก็เป็นอุปสรรคใช่ไหม เพราะนั้นกรมวันทะก็พัฒนา ม, มาเป็นราคะและโลภะอ่ะกากรมวันทะคืออะไรทําใจเป็นนิสัยที่ทําให้เกิดราคะและโลภะหรือกรรมะกรมวิชนทะตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งเลยใช่ไหมเป็นรากเหง้าของอุสตัวที่หนึ่งคือราคะมูลน์โมหามูลอันที่สองพยาปาทะที่ว่าเมื่อกี้พยาปาทะคือความหงุดหงิดความไม่พอใจความไม่สนุก เขาไม่กับพี่กระปล่าวความฉุนเฉียวความาไม่พอใจก็เรียกพยาบาทะตัวนี้พัฒนามาเป็นอะไรถ้าเราไม่ตามรู้มันพัฒนามาเป็นปฏิฆะหรือโทสะโทสะมูลอะโทสะเฉพาะสองตัวนี้นะเป็นตัวหลักกามรรมชาตมาเป็นโลภะหรือราคะปฏิฆะและพยาบาทพัฒนามาเป็นโทสะ แต่ในเรื่องของโมหะมันรวมสามตัวเลยตัวไหนบ้างมัวงเหงาเป็นอาการของโมหะใช่ไหมฟุ้งซ่านเป็นอาการของโมหะดังเลสงสัยเป็นอาการของโมหะราคะโทสะโมหะก็มาจากมิวรทั้งห้านั่นเองมิวรทั้งห้าแต่ว่าเฉพาะสองตัวต้นเนี่ยเป็นราคะโทสะแต่สามตัวหลังเนี่ยเป็นโมหะตัวเดียวเลยเพราะฉะนั้นเบื้องต้นท่านจึงพยายามศึกษา ทำความพอใจละนิวรณ์ให้ได้พอละนิวรณ์ได้คือละอาหารของอากุศลธรรมกุศลธรรมไม่มีอาหารแต่ถ้าเราไม่จัดการนิวรณ์อ่ะกุศลธรรมอากุศล ธ, ร ร, ร, ศธ ร, รรมมีอาหารกินเสมอมีความพอใจความไม่พอใจเป็นอาหารามีความมั่วเงาเหานอนสลืมสลือความฟุ้งซ่านสงสัยเป็นอาหารนิวรณ์ให้เจริญเมื่อนิวรณ์ให้เจริญเติบโต อาุณชนมูลทั้งสามราคาโทสะมหาก็เจริญโตเห็น ไ, ไหมดังนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติเนี่ยเราต้องการที่จะละนิวรณ์ได้ก่อนการะละนิวรณ์ได้ก็คือการกระตุ้นความรู้สึกตัวให้เข้มแข็งแล้วเข้าไปวิใจัยในอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรการที่เรามีจิตใจฝักใฝ่เข้าไปอิในไซป์ไปกําหนดรู้สิ่งเหล่านี้ชัดๆเสมอเนี่ยมันเป็นการละลางเงาของนิวรณ์ เพราะมันร่างเงาเนี่ยวอนทั้งห้าตัวเกิดจากอะไรถ้าถามบอกว่านิวรณ์ทั้งทําทำให้เกิดราคะโถสัมุหะใช่ไหมแล้วอะไรเป็นร่างเงาให้เกิดนิวรณนี่ใครตอบได้เนี่ยใหญ่นั่งข้างหลังนู่นนะเข้าใจไ้ยที่พูดที่เข้าใจไหมน่าจะเข้าใจได้เนา ะ, ะถามว่าตัวขี้เขียนเนี่ยมันเกิดจากอะไร ตัวไม่พอใจนี่เกิดจากอะไรอาตัวหาเหตุมันนะเกิดจากการไม่รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดทำไมจึงไม่รู้เท่าทันเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกตัวรู้บ่อยๆอ่าเพราะนั้นไอการที่เราฝึกตัวรู้บ่อยๆเพื่อเป็นการการสร้างการรู้เท่าทัน เบื้องต้นนี่เราฝึกการสร้างจังหวะการเดินจุกนการกับรู้ตามสถิติประธานสีนี่ยเพื่ออะเพื่อให้รู้ทันกายก่อนเมื่อฝึกรู้ทันกายจะลุกจะนั่งจะยั่งจะรู้ทันหมดต่อไปมันก็จะไปรู้ทันใจทันจิตเมื่อรู้ทันจิตแล้วมันก็จะไปรู้เท่าทันอาการของนิวรณ์เห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวรู้เท่าทันจึงสําคัญมากรู้เท่าทันก็คือตัววิชาไม่รู้เท่าไม่รู้ทันคือตัว วิชานี่ยกลับไปตรงนั้นกลับไปตรงนั้นดังนั้นการที่เราต้องมาศึกษาทําความเข้าใจเรื่องนี้บ่อยๆเพื่อให้เปลี่ยนจากไอโครงสร้างความความเคยชินเดิมของเราเนี่ยมาเป็นโครงสร้างความเคยชินแบบใหม่คือความเคยรู้สึกตัวแลเมื่อเรารู้คุณค่าอย่างนี้โอ้มันมีคุณค่ามากๆเลยทําให้ชีวิตของเราปล่อยปร่งทําให้ชีวิตของเราลื่นไหลสบายทําให้ชีวิตของเรา มีความสงบเย็นได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องมีเงินแสนเงินล้านมีอะไรมาซื้อได้เลยแต่มีการกระตุ้นตัวเองให้รู้ตลอดเวลาตัวนี้เป็นการเก็บสั่งสมเก็บสั่งสมความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆดังนั้นในวิธีการของพ่อเทียนเนี่ยถ้าเราได้ผ่านและเข้าใจถูกต้องนะเราจะรักความเพียรเป็นพิเศษอยู่ที่ไหนก็ตามรู้อยู่ที่ไหนก็เดินจงกรมอยู่ที่ไหนก็ เผื่อๆถ้าไม่มีใครก็นังสร้างจังหวะเล่นดีกว่านั่งเฉยๆหายใจเมื่อก่อนหายใจทิ้งไปเฉยๆใช่ไหมแต่หลังจากมารู้ความหมายรู้จากอา น, นิสงส์ของความรู้สึกตัวแล้วหายใจแต่ละครั้งมีความหมายตั้งใจหายใจให้ลึกๆหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกลึกไม่จําเป็นต้องว่าพุโทโธน้อยสงมบาลหังอ่ะให้รู้เฉยๆนี่แหละมันก็เป็นอนาปาเป็นองค์ของสติแล้วใช้ทั้งหมดเลยที่นี้่ ภาพตาปากหายใจเมื่อก่อนเนี่ยหายใจไอ้ร้อยครั้งพันหนุนไม่เคยตามรู้เลยใช่ไหมคือภาพตาวันไม่รู้กี่หมืน่นกี่แสนครั้งไม่เคยตามรู้แต่เดี๋ยวนี้เจตนาที่จะรู้อ้ภาพตาไป็ไงลืมตาไปไงรู้เหลว้ายเริ่มเสียดายสําหรับธรรมานะเริ่มเสียดายว่าอาการใดที่ขึ้นไปแล้วไม่ได้ตามรู้อยากจะดึงกลับมารู้สึกใหม่เนี่ยอ๋อไม่ทันแล้วก็ตั้งต้นรู้ใหม่เป็นเรื่องประหลาดหรือเปล่าหรือเป็นเรื่อง เวอร์ไปหรือเป่าการเคลื่อ น, นไหวตั้งแต่หลายชีวิตวนันไ้ไม่เคยเสียดมเสด็จไดใช่ไหมเหมือนเราทิ้งน้ําที่มันไหลลงทะเลไปอ่ะไม่เคยเสด็จไดแต่เดี๋ยวนี้เรารู้สึกเสด็จได้น้ำที่มันจะไหลทิ้งไปเขาบอกว่าไต้หวันนี่เขาทํานาขั้นบันไดน้ําที่ไหลามาจากภูเขานี่นะถ้าไม่ได้รับประโยชน์จากเต็มที่เขาไม่ได้ให้ไหลลงทะเลเลยทุกอย่างทุกหยูที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะเก็บทําประโยชน์ให้หมดอแต่ต่างจากประเทศไทยเรานะ่ จะสร้างเขื่อนสักแห่งก็โหใช้เวลากันหลายสิบปีเขาจะให้อนุญาตเพื่อจะเก็บน้ําไว้ใช้เหมือนกันการที่ไอจิตใจของเราไหลไปตามสัญชาตญาณทิ้งไปวันๆเนี่ยอะอับตาอับปาให้ใจแบบสัญชาตญาณไม่รู้สึกตัวการเดินเดินเดินนั่งนอนแบบไม่รู้สึกตัวไหลไปละตกไปละแต่ละนาที แต่ละเวลานาทีชั่วโมงมันมีมากแล้วไอการที่เราจะเริ่มเก็บอาการเหล่านี้เรื่อยๆเนี่ยนี่คือทางไปสู่มรรคส่ผลตรงๆเลยแต่ว่าทําไมเราปรารถนามรรคผลนิพพานแต่ทางของมันเราไม่ทําจะมานั่งทําทางของมันทีแล้วโอ้มันหนักมันเหนื่อยไม่อยากเบื่อขี้เกียจอะไรไม่รู้แต่เวลาไปทําบุญทําทานกี่แส น, นกีนน่ล้านนิพพานอัปจโยโหตุ อนาคเตกะ เ, กเลเขาให้การถวายทานครั้งนี้เป็นปัจจัยให้ได้มรรคได้ผลได้นิพพานในอนาคตาการข้างหน้าทุกเกินเอาข้างหน้านั้นนะปัจจุบันนี้ไม่เอาแล้วข้างหน้ามันจะมาถึงเมื่อไรล่ะมันไม่เคยถึงอ่ะใช่ไหมเออมันจะถึงข้างหน้าอันไปต่อไปปรากฏว่ามรรคผลนิพพานมาได้เลยเพราะมันไม่มีข้างหน้าข้างหลังมันก็ไม่มีมันผ่านมาแล้วใช่ไหมเราจะเอาเมื่อไหรก็ต้องเอาปัจจุบนันน่ะอันนี้คือคือหลักที่เราจะต้องพิจารณากันใหม่นะ่ะ ไม่นั้นเราจะเห็นเรื่องการปฏิบัติทมการภาวนาวิปัสนาเป็นเรื่องไกลตัวเรื่องนอกตัวเรื่องไม่จำเป็นแล้วเราก็ไม่เคยสัมผัสความสุขที่แท้จริงสัมผัสได้ความสุขเทียมๆได้ผ้าเห็นถูกตาได้กินอาหารอร่อยได้ฟังเสียงที่ไพเราะได้สัมผัสอะไรที่มันถูกใจได้อารมณ์ที่ถูกจินพอใจแค่นั้นอันนั้นไม่ใช่ความสุขอันนั้นเป็นเพียงผัสสะ ที่กระทบกันแล้วสรรชาติยานต้องการให้เราไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วถึงผลิตไอสาอาสาทะความสุขสนั้นใดๆเลยนั้นขึ้นมาล่อเราไว้เรากลับไปตกเป็นเหยื่อของมันตกเป็นเหยื่อของความสุขเทียมๆเราเรียกว่าความสุขแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่นั่นคือเหยื่อพรุทธเจ้าจะใช้คําว่าอามิดเวลาเราเวลาเราสวดในหมวดเวทนา สุขขังเวทนังเวทิยมีติประชานิตินิรามิสังสุขขังเวทนังอาอามิสังเวทนังสุขังเวทนังว่าเวทนาที่อาศัยเหยื่อล่อลเราก็ไปติดเหยื่อนั้นแต่ว่าความสุขที่ได้เป็นความสุขที่เนรามิสคือไม่ต้องอาศัยเหยือ่อคือสุขจากการได้เห็นสภาวะแล้วจิตมาอยู่ปัจจุบันแล้วจิตดำรงอยู่ปัจจุบันไม่เส่สา ย, สายไม่ฟุ้งซ่านไม่ ่ากดแกงไม่หวั่นไหวไม่ไปไม่ไม่มาอยู่ปัจจุบันเห็นด้วยความสุขเฉพาะหน้าชัดๆความสุขชนิดนี้ไม่อาศัยเหยื่อรอเป็นความสุขที่แท้จริงในในความหมายพุทธศาสนาแต่ว่าเราไม่ค่อยได้สัมผัสในความหมายที่แท้จริงเราเห็นด้วความสุขเที่ยวมันเป็นความสุขที่แห้งแล้งไม่มีอะไรสนุกสนานเลยใช่ไหมมีอะไรเป็นเหยื่อเลยน่เพราะฉะนั้นคนก็ไม่ต้องการความสุขประเภทนี้เพราะมันไม่สนุกสนาน นะมันไม่เพิดเผยมันไม่ฟูฟ้ามันไม่มีสีสันะเพราะอันนั้นเราไปเห็นว่าความสุขที่มีสีสันนั่นเองเป็นความสุขแต่ในพุทธศาสนาคือความสุขที่มันมีอยู่แล้วก็ทำไปการได้ลุกสบายได้นั่งสบายได้ไปสบายได้อยู่สบายได้กินสบายโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรมาบีบหน้ารัดหลังตรงนี้ต่างหากทีเ่เขาใช้คำว่าอิสระนะอิสระภาพ นะแต่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคนส่วนหนึ่งที่มีปัญญานะจะเห็นความสุขประเภท น, นี้นะแต่คนไม่มีปัญญาก็ต้องไปเอาสําคัญมันหมายเอาอายนะัดณะเสพความอริตอร่อยทางยนะัดณะเป็นความสุขเ้าเรียกเป็นความสุขที่เชื่อชื่อว่าโลกิยาสุขนะแต่ความสุขที่เกิดจากการมารับรู้ต่อความเบากายเบาใจความปลอดปลงลุ่งใจความ ไม่มีอะไรมาผูกมัดทลานลึงจิตใจให้เกิดความอึดอัดขัดข้องอะไรต่างจิตลบจิตใจโล่งปรงเบาสบายกายก็สงบเป็นความสุขที่เป็นโลคิยะสุขเป็นสุขของุคลที่มีปัญญาเป็นความสุขของคนที่เป็นอริยะนะซึ่งเราก็จะไปบังคับให้ทุกคนมาพอใจแสงแห้สุขที่นี้เนี่ยมันไม่ได้เพราะอะไรเพราะพุทิภาวะของจิตคนไม่เท่ากัน บอกคนวุี่ภาวะต่ตําเนี่ยจะดึงเข้ามาหาซอยงาสุประโยชน์นี่อะไรเขาก็ไม่เอาเพราะอามาเองมีคนงานทํางานอยู่ที่วัดเนี่ยว่าคนไหนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยหลวงพ่อจะจ่ายค่าจ้างโดยที่ไม่ต้องไปทํางานเลยไม่มีใครสนใจนะแต่ให้ทํางานหนักทั้งวันก็เอาสนุกนะเสรยจแล้วก็ไปกินเหล้ากินยาอะไรกันทนั้งที่เราก็บอกในสิ่งที่นี่คือวุี่ภาวะเขาไม่ถึงะ่ะเราจะให้เทอนอหไรเขาก็ไม่เอา นะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญดังนั้นเองเราต้องพัฒนาพัฒนาให้จิตของเราเนี่ยมาศึกษามาพอใจมาเฝ้าดูในสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราพ้นออกมาจากเงื่อนไขของการบีบรัดบีบพัดรัดลึงของอเวทนาต่างๆเราจะก็เป็นอิสระจากเวทนาแล้วก็ใช้เวทนาเป็นเครื่องบริหารตัวเอง แทนที่จะใช้เวทนาเป็นที่สุขที่เสพที่ยึดหา่าอย่างที่เขาเป็นกันดังนั้นปัจจุบันเนี่ยการที่เข้าไปยึดเวทนาเป็นตัวตนยิ่งรุนแรงนะเพราะอะไรโลกของวัตถุนิยมเนะี่ยมันเป็นโลกของการกระตุ้นให้เสพเวทนานะอันไหนรู้สึกมันไม่มีรสไม่ชาติไม่สนุกเอาไม่เอาแต่อันไหนมันมีซีสันทําให้เสพให้กินได้ง่ายได้เร็วเอาอย่างอาหารในร้านเซเ 99% สิบนเะ้าเเข้าไปดูวิแต่รอาหารอะไรอาหารกรุบกรอบล่อให้เกิดน้ำย่อยนะเคี้ยวกันได้ทั้งวันแล้วอะไรเกิดขึ้นโรคภัยไข้เจนะ็บนะเบาหวานหัวใจกา่าเพราะความดันตกตับโรคปอดเพราะพอรถจอดป๊อก็ไปเอาเนี่ยมาเคี้ยวกันในรถเพลินทั้งวันก็ติไปติดรถ อ, อ่ะโออามานี่เขาเรียกว่าขยะ เมื่ออาหารเข้าไปสู่ร่างกายขยะความง่วงเป็นขยะไหมประ่วงเป็นขยะไหมความไม่ง่วงเป็นเป็นสาระเป็นเนื้อใช่ไหมแต่ทําไมเราจะไปชอบเอาความง่วงมาเป็นขยะเพราะอะไรเพราะความที่เรารู้ไม่เท่าทันมันถามว่าความง่วงในเวลามันจะเกิดมันปุ๊บปั๊บเกิดแล้วมันเกิดทีเลนิด ทีนี้แต่ถ้าเราไปทำไมไม่ตัดต้นดอวันทีละนิดนะอ่าเวลามันเกิดหนัหนกๆเราแก้แก้ยากหรือแก้ง่ายแก้ยากแต่ว่ามันเกิดนิดๆแก้ง่ายกว่าใช่ไหมแต่ถ้าเราเพราะเราไปเสพไงไปเสพไปเสพสุขเกิดจากการง่วงนะสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆประมาทไม่ได้ ประมาณไม่ได้เลยถ้าสมมุติว่าเราไม่เห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เป็นตัวสําคัญการทําอะไรจะไม่ก้าวหน้าเงินทองเหมือนกันถ้าคุณไม่เห็นความสําคัญของเงินเล็กเน้อยคุณจะรวยไม่ไดนะ้การลงทุนเหมือนถ้าคุณไมล่ลงทุนเริ่มที่เล็กนะการลงทุนเล็กๆน้อยๆเป็นการหาประสบการณ์เป็นการเรียนเหมือนกันการเก็บอาการเล็กๆน้อยๆยืนเดินนัง่งนอนคูยเหยียดขึ้นไว้เก็บไปเรื่อยๆอันนี้คือการสร้างประสบการณ์ พอมมีประสบการณ์ง่ายๆเรารู้ได้มันก็จะพัฒนาความยากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าคิดเล็กคิดน้อยรู้สึกเล็กรู้สึกน้อยอารมณ์เล็กๆเลยรู้ตามได้หมดเลยเมื่อเราเก็บได้หมดอย่างนี้แล้วชีวิตมันจะมีอะไรเหลือะสิ่งที่เป็นเศษเป็นขยะของอารมณ์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเราเก็บโยนทิ้งหมดมันก็เหลือส่วนที่เป็นสาระที่เราสวดมาเมื่อกี้ พิสูจทั้งหลายเราจะขนาบแล้วขนาบอีกเราจะเตือนแล้วเตือนอีกเราจะสอนแล้วสอนอีกเหมือนกับช่างหม้อทํากับหม้อตบแล้วตบอีกนวดแล้วนวดอีกทุบแล้วทุบอีกนะผู้ใดมีมรรคผลแก่นเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนได้ผู้ใดไม่มีมรรคผลเป็นแกนสารผู้นั้นก็ทนไม่ได้ที่เราสวดเมื่อกี้พระุทธเจ้าท่านกล่าวกับพิสูจนทั้งหลายังนั้นสิ่งนี้แล้วเหมือนกันท่านบอกว่าชี้อันไหนที่เป็นโทษชี้แล้วชี้อีกเห็นว่า ความนิวรทั้งหลายมันเป็นโทษเขาบอกแล้วบอกอีกแต่คนไหนที่มีมรรคผลเป็นแก่นสารคนนั้นจะทนฟังได้คนไหนที่ไม่มีมรรคผลแก่นสารงุนงิดเลยหลงพอทําไมมาต่อยาบวยเรื่องเหล่านี้นะงุนงิดขึ้นมาเลยเนี่ยเพราะไม่มีมรรคผลเป็นแก่นสารนะแต่อันนี้มันเบื้องต้นเป็นเป็นเรื่องที่จะพูดกันให้ชัดเจนนะนั้นเอาละเมื่อกี้มาลําดับถึงเรื่องสุขเวทนาสุดท้ายมันคือ สายของมันอนะไปถึงไหนนะทุกขเวทนาสายไปถึงไหนทีนี้มาดูอุทุกขมสุขเวทนาพี่ตามไปยังไม่จบนะเขาตามมีไม่จบอุทุมะมุสุขเวทนาถ้าไปเกิดขึ้นไปอยู่กับใจเราเรียกว่าอุเปกฆาเวทนาอุเปฆาเวทนาคือลักษณะเฉยเมยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นความเฉยเมยก็คือการไม่เอาใจใส่การไม่ใส่ใจในสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นมีไหม ลักษณะที่ไม่ใส่ใจเฉยเมยต่อสิ่งที่ไม่ขึ้นเราเรียกว่าอะไรอวิชชาหรือโมหะเพราะฉะนั้นตัวอุปเปกขาก็พัฒนามาเป็นตัวปิภาวะปิภวะตัญหาตัวพอใจพัฒนาเป็นการดัญหาใช่ไหมตัวไม่พอใจพัฒนามาเป็นเพราตัวพอใจพัฒนาเป็นการดัญหา ตัวไม่พอใจพัฒนามาเป็นภวะตัณหาตัวเฉยเฉยเฉยเมยเนี่ยพัฒนาเป็นวิภวะตัณหาตัณหามีสามก็พัฒนาเวทนาทั้งสามเป็นวิภวะตัณหาทีนี้ตัณหาทั้งสามกามพัฒนาเป็นตัณหาราคะพัฒนาเป็นโทสะพัฒนาเป็นมานะใช่ไหมเมื่อกี้ทีนี้ตัวอุเบกขาพัฒนามาเป็นทิฏฐิมันก็มีสามตัณหามานะทิฏฐิใช่ไหม ก็พัฒนามาจากสุขทุกทุกขยสุขพัฒนาเป็นตัญหามานะทิฐิแล้วตัญหาเราก็ยังไม่รู้เท่าทันอีกหลงเข้าไปเสพตัญหาอีกตัญหาทีนี้พัฒนามาเป็นกามาสะวะมานะพัฒนาเป็นภาวาสะวะทิธิพัฒนามาเป็นอวิชัยสะวะพอมาลงท้ายอาสะวาเราอยากล่ะในการแก้แก้ถ้าเป็น ไอ้ขยะในหม้อต้มน้ําก็คือตะกอนตะกันที่มันติดเพราะนั้นจะล้างไม่ออกละทําไงที่จะเอาตะกอนที่ติดก้นเวลาเราเอากาไปต้มน้ําที่มันเป็นไอ้น้ําหินปูนนะ่ะนะนานเข้านานเข้ามันเป็นไงติดก้นนะติดก้นกาถ้าไปล้างธรรมดานี้ออกไหมจะทําไงที่นี้ทั้งเคาะทั้งขัดทั้งขูดใช่ไหม เจ็บแล้วเดี๋วนี้ฉนะันใดก็ฉันนั้นนะไอ้ตัวที่มันไปตกตะกอนท่านใช้คาว่ากิเลสที่หมักดองในสันดานท่านใช้คานี้นะอาสวะคือกิเลสที่หมักดองคือตกตะกอนในจิตแล้วก็ต้องมาถึงขั้นใช้คําว่าขัดเกลาใช้คาว่าขัดเกลาสันเลขาเนะีเพราะฉะนั้นเวลาไปถึงขั้นนั้นล้างไม่ออกมันค่อยขัดค่อยเกาค่อยเทาะค่อยท้ อ, ทองค่อยขูดค่อยเกลาไปเรื่อยๆนะท่านใช้ ภาษาธรรมดาเรียกว่านิสัยนะนิสัยบางอย่างเราติดนิสัยออกยากเหลือเกินเรียว่าดื่มกาแฟเป็นนิสัยเลิกยากเหลือเกินออใช้จ่ายกินเยอะเป็นนิสัยกินจุเป็นนิสัยเลิกยากเหลือเกินโอยคนนี้มันนอนหลับเป็นนิสัยไอ้ตรงนี้ขี้เกียจเป็นนิสัยอันนี้บ่นเป็นนิสัยเนี่ยเพราะมันเป็นนิสัยอาสวะเรายากแล้วทีเนี้ ดังนั้นตรงนี้มันก็จึงเป็นเหตุให้เราต้องวนเวียนไหวใจเกิดอยู่างเงี้ยหวัวอสวกนะแก้ไขได้ยากเพราะฉะนั้นที่เราไม่ให้ตกมันเป็นต้นก่อนเราต้องมาแก้ไขที่ไหนถ้าจะแก้ไขาการ ม, มาสวะก็มาแก้ไขสุขเวทนาอย่าไปยึดสุข อ, อย่าไปยึดสุขแต่ถ้ามันเผอยึดทำไงก็ตั้งท่าใหม่เผอแล้วแล้วไป อย่าไปเสียใจโอ้เราไม่น่าจะไปนั่งง่วงเลยเนาะอนี่นะอย่าไม่ต้องไปทุนโทษตัวเองนะ่นง่วงแล้วรถไฟกูจะตื่นใหม่เอาเท่าๆกันจะง่วงมาอีกเออตื่นมาอีกพอหลายครั้งตัวหลายครั้งเดี๋ยวมันการตื่นมีกําลังขึ้นใช่ไหมมันมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่มันยากนะสิ่งเหล่านี้นะแต่การง่วงมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างนะตามที่มาวิเคราะห์นะ ว่าเอ๊ะทาไมมันสมาธ้ง่วงมาก่อนหนักๆเลยนะเอ๊ะทำไมมันง่วงบ่อยเหลือเกินเนี่ยก็มาวิเคราะห์ดูว่ามันสาเหตุมาจากอะไรอ่าหนึ่งเรานั่งหลับตาเป็นดับแรกนี่วิธีการอรุเทียนแท้จริงไม่ให้หลับตาพอหลับตาแล้วขึ้นทันทีเลยใช่ไหมหลับตาวิธีการอุ้เทียนจึงเป็นไปได้ไม่ต้องหลับตานะแต่ถ้ามันไม่ง่วงค่อยหลับแต่ถ้ามันจะง่วงไม่ต้องหลับนะสองอ่า การเปลี่ยนนิยบทไม่สมดุลทำให้เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกก็เกิดการหนักหน่วงทวงทับอารมณ์จิตของเร า, อ, าอำนาจของความไม่สะดวกในการไหลเวียนอารมณ์ทำให้จิตของเราไม่มีพลังพลังจิตมันอ่อนใช่ก็ง่วงอีซีของเราอีซีไม่เข้มแข็งสามการพักผ่อนไม่เพียงพอสการทาน ยาบางตัวมีฤทธิ์ในการกดประสาทให้เราง่งหง 5. หลังทานอาหารทานเยอะเกินไป 6. เวลาทานอาหารเคี้ยวไม่ละเอียด 7. นะสุขภาพมีโรคประจำตัว 8. การปรับอินซี ไม่รู้อยากวิธีปรับอีซีให้เข้มแข็งหาสาเหตุไปเรื่อยๆคนได้หาได้เยอะแลแก้ไปเรื่อยๆอันนี้คือลักษณะของการที่จะวิพัฒนาก้าวหน้าต้องรู้จักวิจัยในสิ่งที่เกิดจะไปเป็นในสิ่งที่เกิดต้องวิจัยอย่าลืมว่าข้อนี้เป็นข้อเชื่อนะจะําได้ไหมชื่อข้ออะไรโยนิโซโยนิโ ซ, โซคือการวิจัยในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าอย่าเป็นในสิ่งที่เกิดขึ้นต้องรู้จักวิจัย อันไหนที่มันเกิดบ่อยๆผิดปกติจับโดนมาวิจัยเลยลากตัวมาวิจัยเลยว่ามันเกิดจากอะไรบ้างหาสาเหตุหาสมุทัยของมันตรงนี้เรียกว่าสมุทัยนะสมุทัยแล้วหาเจอแล้วทําไงละออกเสียทิ้งออกเสียนะตอนนั้นในจุดนี้ช่วงเช้าเราพูดถึงเรื่องของเวทนาทั้งสามแล้วก็การพัฒนาสายของเวทนาทั้งสามไปถึงที่สุดของมันคืออะไรนะ แล้วเราก็จะไม่ทิ้งหลักอ๋อพอเราเห็นว่าไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวสุขนันนี้เรากำลัลงเสพนี่นะในที่สุดเราจะพัฒนาไปเป็นไอ้กามาสภาวะแาก่การแก้ไขนะคนเราก็มีความอยากเป็นนิสัยไงความอยากเห็นอะไรก็อยากหมดเห็นอะไรก็ชอบหมดเพราะว่ามันกลายเป็นอาสวะกลายเป็นนิสัยลนะชอบ เงินชอบทองชอบบ้านชอบเรือนชอบชอบแล้วอยากได้อยากได้ก็ต้องหาเงินหาเงินกันตลอดชีวิตบางทีทำงานสองชอบสามชอบวันหนึ่งสองกะสามกะก็ยังไม่พอใช้ยังเป็นหนี้อีกต่างหากใช่ไหมก็เพราะมาเราไปยืดสุขเวทนาเป็นนิสัยนั่นเองก็ทำให้แต่ละคนแล้วโลกนี้มันจะอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะความต้องการของคนมันไม่มีที่สุดนาทิตัาหาสมานาที ว่าแม่น้ำยังมีขอบมีริมแต่ว่าความอยากของคนไม่มีขอบแม่น้ํามีรู้จักจขึ้นจากลงเป็นวันเวลาแต่ความอยากของคนมันขึ้นแบบไม่มีเวลาเลยมันอันตรายแล้วโลกนี้ก็เจวิบัติกันพระเยสูแล้วก่อให้เกิดการแย่งแข่งแย่งแข่งทรัพยากรธรรมชาติกันที่จะไปเสพนะแล้วสงสารสงสารคนที่ตกเป็นทาส เสร็จจากนาปลูกอ้อยเสร็จจากอ้อยปลูกถั่วเสร็จจากถั่วปลูกมันเสร็จจากมันปลูกเขาเอาก็อยู่ในเวียนทั้งปีไม่ได้อยู่ได้ย่อนแล้วใ น, น, นที่สุดโรคภัยแค่เฉีบเกิดในตัวเองลรกภัเดี๋ยวก็ป่วยแล้วก็ตายลกูกหลานเอาอีกอยู่งั้ยเนี่ยเวียนกันอยู่อย่างนี้สําหรับชาวนานะสําหรับชาวข้าราชาการเป็นไง ไม่พอจุดนี้กู้ตรงนั้นกู้ตรงนั้นก็มากู้ตรงนี้แต่ว่ากู้ตรงนี้มากู้ตรงนี้ต่อเป็นหนี้เครดิตกันคนละสามมูลสี่มูลสามแสนสี่แสนสามล้านสี่้านแล้วแต่ฐานนางคนนั้นก็เป็นอยู่อย่างเนี้ยเราจะเอาความสุขในที่ไหนอืมแต่เราก็ไม่เคยหาต้นต่อของมันเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นก็ต้นต่อเพราะเราไปเสพสุขเวทนาถ้าเราไม่ติดสุขเวทนาเสียเนี่ยไอความที่เราจะทําอะไรได้ง่ายขึ้น่นะเราจะไม่เราจะติดดินมากขึ้น เรารู้จักวิธีการหาเงินโดยที่ไม่ต้องไปทํางานรับใช้คนเนี่ยหาเงินโดยวิธีนำบักนำแรงมันก็จะหาวิธีแหละเกิดปัญญาขึ้นมาต้องหางานทํากับคนอื่นแต่มไม่ได้หางานทําให้ตัวเองไม่ได้สร้างงานตัวเองต้องไปหางานทํากับคนอื่นเขาก็ตั้งเงื่อนไขให้กราเราะตั้งเงื่อนไขเราก็ต้องทำตามเงื่อนไขทำเงื่อนไขเราก็ต้องเป็นทุกอยู่ยางนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่ติดสุขเวนาร์เราก็จะติดดินทีนี้พอติดดินเราทําอะไรได้ทุกอย่างเลย เป็นอิสรภาพก็เกิดขึ้นนะมันมีเหตุปัจจัยที่จะขยายออกมาปเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองสังคมมากมายถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์อันนี้นะแต่ว่าเราปฏิบัติธรรมก็แยกไปอีกเรื่องหนึ่งไมไ่ถือว่าการปฏิบัติเป็นเรื่องของชีวิตแต่ความจริงเรื่องการปฏิบัติธรรมกันละกันที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสงบและปลอดภัยเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดนะแต่เนื่องจากว่าเราได้รับการ อะไรล่ะรับข้อมูลสิ่งแวดล้อมกันความเชื่อมาอย่างนั้นแล้วกาปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของพระสองฆ์องคชาญเป็นเรื่องของคนไม่มีงานทําเป็นเรื่องของคนมีปัญหาเป็นเรื่องของคนโอดหักรักราควะม ง, ง่วงใหม่เราเห็นไหมดับตาลงเหมือนก่องทันทีเลย <laughs> เอ อ, เ อ, อมันเป็นเรื่องที่รุนแรงมากนะยิ่งพูดถึงตัวมันมันยิ่งเกิด น, นะเออต้องต้องศึกษาขนาดแจง้งสาเหตุว่ามีอะไรว่างเรยังแก้ไม่ตกเลยจะทําไงเออเป็นเรื่องรุนแรงนะแต่มันแคจะรุนแรงวันนี้อีกวันพนระุ่งนี้มันค่อยเบาหนนะอ่อยนะอ่านั้นในช่วงเช้านี่นะเราหมดเวลาในการทําความเข้าใจเรื่องนี้ละพอจะนึกออกไหมเรื่องเวทนาคืออะไรเวทนามีกี่อย่าง อย่แลแต่อย่างพัฒนาไปยังไงให้ตามให้เจอนะแต่มันอาจจะเป็นศัพท์เทคนิคนะแลนะ้ถ้าในศัพท์ที่เป็นภาษาไทยแท้บที่ก็หาศัพท์ไม่เจอเอาศัพท์เทคนิคเข้ามาใช้นะดังนนช่วงเช้าหลังจากนี้ไปเราก็จะทำโยคะเอามาเอาไ อ, อ้คาอาณาปณะสติโยคะมาในนั่นแหลาอยู่ในเดสก์ท็อปน่านนจะได้ทําอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ขอมุทนาสาธุ แ้วความตั้งใจที่จะศึกษาร่วมกันให้เข้มแข็งแล้วก็ให้ใส่ใจให้ถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และคุณค่าต่อชีวิตสูงสุดถ้าเราตั้งใจนะก็ขออนุโมทนาและกลราบลาของกัน